สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบแปดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สิบสามคำววอนที่หนึ่งพระเจ้าพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามนะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราต้องอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูทริสอนและคําวิงวอนที่หนึ่งก็คือ การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะน้องครับเราจะมาดูต่อจากเมื่อวานนั้นครับเรื่องของพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นมีความหมายถึงการยำเกรงพระเจ้าในขณะที่ความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเอาหรือไม่เอานะครับเลือกไม่ได้เพราะจะต้องยำเกรงพระเจ้าโดยเนื้อแท้ของความเป็นคร้วเสถียนของเรา และความเป็นลูกของพระเจ้าของเราเป็นประชากรของพระองค์เป็นที่พระเจ้าได้ทรงไถ่เราไว้ด้วยราคาที่สูงนิ่วก็คือพระโอหิตพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสท่านกัมภีรบอกว่าจงจำเนินในความจำเกรงพระเจ้าวันอย่างค่ำจงเกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่ให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้จงเชื่อฟังทุกอย่างด้วยความจำเกรงเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าครับนี่คือสิ่งที่พระกัมภี์ได้บอกไว้ เป็นคำสั่งครับไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าเรากลับมาดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับหัวใจของพระธรรมสุภาษิตก็คือคําภาษาฮีบรูที่อ่านว่ายาเวยาเวมีความหมายครอบคลุมถึงความยำเกรงพระเจ้าความเคารพนับถือการยกย่องพระเจ้าให้เป็นผู้ที่สูงที่สุดในพระธรรมสุภาษิตนั้นก็ได้พูดถึงโดยกษัตริย์โซโลมอนนะครับพูดถึงยาเวนะครับ ถึงสิบแปดครั้งด้วยกันนะครับเราเห็นนะครับว่าประชากรของพระเจ้านั้นถูกเรียกร้องจากกษัตริย์โซโลมอนให้มีความยำเกรงมีความขั้น ค, ลครลมขับเกรงกลัวต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเกรงกลัวต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าขั้นเกรงกลัวต่อพระเจ้านั้นกดดันนะครับให้คนในความผีนั้นต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครับยกอย่างเช่นมโนอานะครับมโนอาที่อยู่ในผู้นิจไช่บทที่สิบสาม มโนอาอยากตายเพราะเขาเห็นพระเจ้าในพระธรรมโยบ42ก็โยบก็กลับใจใหม่ต่อพระพักพระเจ้าอันบริสุทธิ์ของพระองค์โดยการถอนคำพูดที่โง่เขาออกไปนะครับอิสยาห์ก็เหมือนกันครับอิสยาห์เมื่อพบกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้ายืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักพระเจ้าอันบริสุทธิ์นั้นอิสยาห์ถึงกับสาบแช่งตัวเองว่าวิบัติแก่พระเจ้าวิบัติแก่ขพระเจ้าแล้ววิบัติแก่พระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้าเป็นคนลินฟี่ปากไม่สะอาด ฮาบาคุตัวสั่นอยู่นะครับตัวสั่นด้วยพระสวดเสียงบริสุทธิ์ของพระเจ้าในฮาบาคุบทที่สามบรรดาประชากรอิสราเอลที่เหลืออยู่นะครับก็เรงกลัวพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินพระสวรเสียงบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ผ่านมาทางผู้เผยพระชนะฮักไกฮักไกอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับเครื่องครับคนต่างเหล่านี้ในเพื่อนปีเดิมแสดงถึง ความยำเกรงพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้าความขั่นค้ามต่อพระนามบ่อยสุดของพระองค์พระเยซูขณะที่พระองค์กระทำพระราชกิจในโลกนี้ตอนที่สาวกกลัวลมพายุและกลัวยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูทรงสยบลมพายุแล้วพี่น้องครับสาวกของพระองตระหนักถึงพระสิริและชนุนภาพเขาเกิดความเกรงกลัวพระองค์ยิ่งกว่าลมพายุที่โหมกระหน่ำชีวิตและเรือ ชุมชนที่ไม่เชื่อพระเยซูทูลขอให้พระองค์ออกไปเสียจากท้องถิ่นเพราะเขากลัวฤทธานุภาพบริสุทธิ์ของพระองค์เวลาที่พระองค์ได้ไล่ผีมารซาตาเข้าไปอยู่ในหมูพวกเขามีความเกรงกลัวฤทธานุภาพของพระเจ้าเกรงกลัวพระเยซูไปโตนะครับสาวกของพระองค์ก็ทูลขอพระเยซูผู้ปราศจากความบาปให้ถอยห่างออกไปจากตัวเขาซึ่งเป็นคนบาป เขาเป็นคนที่รู้ตัวเป็นคนบาปและขาดความเชื่อความเกรงกลัวเกิดขึ้นครับเปโตรยอและยากรอบตอนที่ที่เยซูนําขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงจงราําแนกภัยพวกเขาเห็นนั้นเขาซบหน้าลงถึงพื้นดินเกรงกลัวยิ่งนักเมื่อพวกเขาได้ยินพระสรเสียงของพระเจ้าคึจากจักรในกรุงเยรเซนก็เช่นเดียวกันครับมีการเคลื่อนไหวอย่างมากเพราะความเกรงกลัวพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขึ้นจากทั่วแคว้นกรียูเดียสมารเรียเจริญขึ้นในความยำเกรงองพระผู้เป็นเจ้ากิจการบทที่เก้าชาวกยอนอันเป็นที่รักของพระเยซูนั้นล้มลงแท่พบาทของพรว เ, เหมือนกับคนที่ตายแล้วเมื่อเห็นพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆคนทั้งหลายที่ยกขึ้นมาในคัมภีนี้เป็นตัวอย่างให้กับเราครับในการที่เราจะยำเกรงพระเจ้า เป็นตัวอย่างให้กับขืดจักรของเราเช่นเดียวกันครับเหมือนกับขืดเรจักในกรุงเยลซาเล็มมีการเคลื่อนไหวมีการพัฒนามีพลวัตมีการเจริญเติบโตขยายตัวของขืดเรจกักรเพราะความยำเกรงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขืดเรจักในแคว้นกรก ล, ลิลีแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียทั้งหลายก็จําเริ่นขึ้นในความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับในการพัฒนาชีวิตของตัวเอง เคล็ดลับในการพัฒนาขึ้นจักรหากประชากรของโปรงทุกคนมีความยำเกรงเกรงกลัวพระเจ้ากึ้นจักรจะหายออกอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้านั้นถูกยกให้เป็นที่เคารพสักดิ์สสูงสุดไม่มีใครที่จะขัดขืนไม่มีใครที่จะมีท่าทีที่กบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังโปรงแต่เมื่อชีวิตคริสเตียนทุกคนที่เชื่อฟังพระเยซูแล้วยกย่องโปรง ให้พันามอันบริสุทธิ์ของพระบิดาเป็นที่เคารพสักการะแล้วเราก็พี่น้องครับชีวิตของเราดาเนินขึ้นพัฒ น, นาขึ้นอย่างแน่นอนกิจจะจักรของเราดาเนินขึ้นพัฒ น, นาขึ้นอย่างแน่นอนหลายหลาคนนะครับเข้าใจไม่สมดุลกันครับหลายหคนเนี่ยนะครับเรียกคุณพ่อบนสวรรค์พระบิดาบนสวรรค์นะครับเน้นและท่ําเพื่อจนเกินไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ที่น้องครับกลเป็นว่าเราสามารถฉุดพระเจ้าลงมาสู่ความสัมพันธ์แบบที่เราจะเล่นหัวกับพระองค์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องครับในขณะที่เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราสามารถที่จะให้ความสนิทสนมมีความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกกับเราได้เรายิ่งต้องเกรงกลัวพระเจ้าครับเพราะขณะที่เรากําลังอยู่กับพระบิดานั้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เคารพยำเกร ง, งเกิดขึ้น อาจจะมีความรู้สึกที่ได้คืบเอาศองเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่เล่นๆ น, น, นะครับบรรยากาศแบบสบายๆจนเกินไปเกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องระวังนะครับจะต้องรักษาสมดุลแห่งความสัมพันธ์นี้ให้ได้ว่าพระเจ้าของเรามีพระนามที่น่าเกรงขามมีความบริสุทธิ์มีความน่าเกรงกลัวเพื่อที่จะให้ เรานั้นเคารพสักการะพระนามของพระองค์เพื่อที่จะให้เรานั้นรู้จักพระนิสัยหรือพระความเป็นบุคลิกภาพขอ ง, รงพระองค์ลักษณะของพรองค์เองพี่น้องครับเวลาสนท น, นากับพระเจ้านะครับเราจะต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับพระนามอันเป็นที่เคารพศักการะนี่นคือสิ่งที่อยากจะท้าทายพี่น้องในเช้าวันนี้ ผมจะไปถึงอีกประเด็นนึงที่สําคัญนะครับเรากลับมาดูเรื่องของคนยิวครับคนยิวนะครับเขาตระหนักถึงความจําเป็นในเรื่องของการเคารพยำเกรงเคารพสักการะคํำอธิษานของคนยิวมักขึ้นต้นด้วยคําว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ข้าแต่พระบิดาพระราชาผู้ทรงพหิตริษทธ์ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์และทรงผลัดภาพ ตอนที่คนยิวนั้นเขาอธิษฐานก็จะมีชุดของทําอธิษฐานครับ18บททั้งหมดมี18บทที่พวกยิวจงอธิษฐานทุกวันทุกๆบทต้องขึ้นต้นด้วยแต่ข้าแต่ทบิาดาค่าแต่กษัตริย์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงยมคิด ป, ปูนะครับก็คือวันลบบาปเนี่ยชาวยิวจต้องอธิษฐานเป็นเวลา10วันเขาจะ อ, อธิษฐานด้วยบทก็เรียกว่าอวีนูมาเคนถึง14ครั้งเขาต้องภาวนานะครับ ท่องว่าพระบิดาแห่งข้าพพงษ์หลายพระราชาแห่งข้าพพงษ์หลายพระบิดาแห่งข้าพพงหลายพระราชาแห่งท้าพพงษ์หลายพระพระบิดาแห่งท้าพพงหลายพระราชาแห่งข้าพพงหลายถามว่าพวกเขาทําไมต้องท่องซ้ำไปซ้ำมาครับเพราะว่าพวกเขาต้องการเน้นถึงความสําคัญเกี่ยวกับพระบารมีของพระเจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์พระบิดาพระราชาพระบิดาพระราชาเขาพยายามทําความสมดุลระหว่างคุณพ่อบนสวรรค์ จอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูเองนะครับก็บปรารถนาให้พระนามของพระบิดาได้รับเกียรติในพระธรรมยอห์นที่สิบเจ็ดครับนั่นเป็นความหมายของการเคารพศักดาระพระนามของพระองค์จึงอกจะให้พี่น้องนะครับรวมทั้งผมด้วยเราจะอยู่ต่อเบื้องว่าพักของพระองค์ในขณะที่เราจะต้องจําเป็นมีความสัมพันธ์กับพระเยซูในฐานะที่เราเป็นลูกของพรงเรียกพรงว่าเป็นพระบิดา แต่ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์นั้นเราต้องยกย่องพระองค์ให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอย่างมากที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความชอบธรรมความเที่ยงธรรมของพระองค์นั้นเป็นที่เคารพสักการะครับให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการนมัสการพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการอธิษฐานนะครับให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการทําสิ่งต่างๆเพื่อที่ว่า พ, พระพรของพระองค์สามารถที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากการที่รพระเจ้าเป็นพระบิดาในขคะเดียกันพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดในชีวิตของพวกเราอาเมน